นานสยองบ้านตาใหญ่บ้านร้างสุดเฮียนแห่งมหาชัยย้อนกลับไปในช่วงที่รายการผีกำลังบูมอย่างสุดขีดกับการเล่าเรื่องผีออกอากาศทางวิทยุก็คือการไปพิสูจน์เรื่องเลนลับตามบ้านร้างในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศและหนึ่งในนั้น ก็มีสถานที่ที่เป็นตานานแห่งหนึ่งอย่างบ้านตายายทีหมู่บ้านจัดสรรเก่าแก่ในอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบ้านร้างแห่งนี้เป็นทาวเฮาส์องชั้นตั้งอยู่ภายในโครงการบ้านจัดสรรริมถนนพระรามสองตัวบ้านนั้นอยู่ลึกเข้าไปจากทางเข้าหมู่บ้านพอสมควรบ้านหลังนี้มีผู้สูงอายุสองคน อาศัยอยู่กันตามลำพังตามประสาข้าราชการเกษียณอายุด้วยความที่เป็นหมู่บ้านสร้างใหม่ในสมัยนั้นทาให้มีเพื่อนบ้านไม่มากนักว่ากันว่าภายในซอยของบ้านหลังนี้มีบ้านคนเพียง4ถึงหหลังจากจำนวนทั้งหมด20กว่าหลังจึงทำให้บรรยากาศในยามค่ำคืนนั้นค่อนข้างที่จะเปรี้ยวพอสมควกรกลางดึกคืนหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นได้บุกเข้าไปทำการชิงทรัพย์และทั้งมือท่าตาและยายทั้งสองคนเสียชีวิตภายในบริเวณบ้านยายออกมาเสียชีวิตที่หน้าบ้านส่วนตาเสียชีวิตภายในห้องน้าชั้นล่างของบ้านซึ่งเป็นข่าวที่โด่งดังในช่วงสิบกว่าปีก่อนหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปบ้านของตายายก็ถูกทิ้งราง เนื่องจากทั้งสองคนไม่มีลูกหลานเลยชาวบ้านในละแวกนั้นจากตอนกลางคืนปกติมันก็วังเวงอยู่แล้วเนื่องจากยังมีคนมาอาศัยอยู่ไม่มากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งวังเวงเข้าไปไม่มีใครกล้าที่จะออกจากบ้านและผ่านหน้าบ้านนั้นในยามค่าคืนเนื่องจากชุวงแกลลกที่เกิดเรื่องราวการฆาตกรรมตาและยาย่ เวลามีคนผ่านไปมักจะมีคนได้เห็นไฟภายในบ้านเปิดเปิดปิดปิดเหมือนมีคนกดเล่นอยู่ตลอดเวลาไม่นานหลังจากที่หม้อไฟถูกถอดออกไปเรื่องราวแปลกๆ ก, ก็ยังไม่จบสินแสงไฟเปิดปิ ด, ปดเองได้นั้นหายไปแล้วคราวนี้มักจะมีคนได้เห็นเก้าอี้โยกที่หน้าบ้านโยกไปโยกมา เหมือนกับว่ามีคนกำลังนั่งโยกอยู่ทั้งๆ ท, ที่ภายในบ้านไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่ลมก็ไม่มีและยังมีคนมองเห็นเงาที่หน้าตา่างภายในห้องนอนด้านหน้าบนชั้นสองเหมือนกับมีคนกำลังยืนจ้องมองลงมาด้านล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านกลัว ไม่กล้าที่จะเดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้อีกเลยแม้แต่รปภอของหมู่บ้านก็ไม่กล้าที่จะไปสำรวจบริเวณนั้นในยามค่ำคืนยิ่งนานวันเข้าเรื่องราวชวนขนหูลุกก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อตาและยายได้สร้างความเฮี้ยนให้หน่าสยดสยองมากยิ่งขึ้นครั้งนี้ความสยดสยอง ท่งตรงถึงหน้าบ้านเพื่อนร่วมซอยแทบทุกคืนกลางดึกบ้านไหนที่เลี้ยงหมาก็มักจะได้ยินเสียงหมาเห่ากระโชกอย่างรุนแรงเหมือนกับว่ามีคนคอยจ้องจะเข้ามาในบ้านแต่เมื่อเปิดม่านออกมาดูก็พบเงาเหมือนกับมีคนเดินผ่านหน้าบ้านไปซึ่งตอนแรก คนในหมู่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นขโมยจึงระวังตัวกันมากขึ้นแต่เหตุการณ์ที่พวกเขากำลังจะได้เจอในอีกไม่นานนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะขายบ้านโดยไม่ลังเลหรือไม่ก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้จนทั้งซอยกลายเป็นซอยร้างคืนหนึ่งทุกคนในซอยต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันกลางดึก จากเสียงหมาเห่าที่ดังลั่นซอยทุกคนต่างพากันเดินออกมาหน้าบ้านของตัวเองเพื่อค้นหาสาเหตุที่หมาเห่ากันอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดของชายและหญิงสูงอายุซึ่งดังมาจากทางเดียวกับบ้านของตาและยายทุกคนเงียบกริบ ไม่มีการพูดจาใดๆเกิดขึ้นเพราะต่างเข้าใจกันว่ามันคือเสียงอะไรและไม่ต้องบอกให้ทำอะไรทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองดีว่าจะต้องทำยังไงต่อไปชาวบ้านต่างพากันวิ่งหน้าต่างกลับเข้าบ้านของตัวเองปิดประตูหน้าต่างล็อกอย่างดีทุกบานแล้วนอนคลุมโปง พยายามค่มตานอนทั้งๆ ท, ที่หมาเหา่าลั่นซอยอยู่อย่างนั้นหันพ้นไปเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกแทบจะวันเว้นวันแม้ว่าตอนกลางคืนจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมาดูอีกแล้วถึงกระนั้นเองก็ยังมีเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดของตายายดังเข้ามาในบ้านให้ได้ยินซึ่งสร้างความสยดสยอง ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในซอยเป็นอย่างมากโดยที่ไม่ต้องผ่านไปที่หน้าบ้านของตาใหญ่ก็สามารถสัมผัสความหลอนนี้ได้ถึงเตียงนอนทั่วทุกบ้านพร้อมๆกันทำให้ทุกบ้านพร้อมใจกันย้ายออกไปโดยมิได้นัดหมายซอยนี้จึงกลายเป็นซอยร้างทั้งซอยและกลายมาเป็นตำนานแห่งความหลอนกี่วัยรุ่นมหาชัย รวมไปถึงผู้ที่ชอบความท้าทายจากสถานที่อื่นๆต่างพากันมาลองของซึ่งแน่นอนว่าจะได้ประสบการณ์ขนหัวลุกกลับมากันทุกคน 八字哟。